ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ 3. ม, มีการเจรจาผิด 4. มีการกระทําผิดทําทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำา5ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาตร่ตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วสันเสริญคนที่ควรสันเสริญ 3. มีการเจรจาชอบ 4. มีการกระทําชอบ 5. ไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มิฉาวาจาสูตรที่9จบ 10. มิฉาวายามะสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความพยายามผิดภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนาไปฝังไว้ธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. นไม่พิจารณาไม่ตรายตรองสันเสริญคนที่ควรติเตียนสองไม่พิจารณาไม่ตรายตรองติเตียนคนที่ควรสันเสริญ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 ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. พิจารณาตรายตรองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน 2. พิจารณาตรายตรองแล้วสันเสริญคนที่ควรสันเสริญ 3. มีความพยายามชอบ 4. มีความระลึกชอบ 5. ไม่ทำศรัทธาไทยให้ตกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยทำ5ประการนี้แล ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มิฉาวายามะสูตรที่10จบอันตกะวินทวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กุลูปกะสูตร 2. ปัชชาสมณะสูตร 3. สัมมาสมาธิสูตร 4. อันตกะวินทสูตร 5. มัชริณีสูตร 6. วนันณนาสูตร 7. อิสุขินีสูตร 8. มิช้าทิทิกะสูตร 9. มิช่าวาจาสูตร 10. มิช่าวายามะสูตร 1. คิลานวัตหมวดว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุข่ 1. คิลานสูตรว่าด้วยธรรมสำหรับภิกษุข่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตาคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปที่สาลาบำรุงภิกษุข่ ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุพพลภาพเป็นไข้แล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการย่อมไม่ละภิกษุบางรูปผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจากท่าให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป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 ก็ไปตั้งมรณะสัญญากำหนดหมายความตายไว้ในภายในภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมไม่ละภิกษุบางรูปผู้ทุกพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผล น, นี้คือไม่นานนักจกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันคีลานสูตรที่หนึ่งจบ สติสุปฏิตะสูตรว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการเธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ หเข้าไปตั้งสติไว้ในภายใน 2. พิจารณาเห็นกายว่าเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลาย 3. กําหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. กําหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้เธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีสติสุปติตะสูตรที่สองจบ สามพระธมมอุปทากสูรว่าด้วยภิกษุไข้ที่พยาบาลได้ยากและง่ายสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไข่ประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้พยาบาลได้ยากธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. ไม่ฉันยา 4. ไม่บอกอาภาษที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาภาษที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาภาษที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาภาษที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่ 5. ไม่อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิต ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข่ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุไข่ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัพปายะ 3. ฉันยา 4. บอกอาภาษที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาภาษที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาภาษที่ทุเลา ว, ว่าทุเลาบอกอาภาษที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่หเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิต ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายพระธมมอุปถากสะสูที่สจบสี 4. ทุติยะอุปถากสะสูว่าด้วย ภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมประการไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสปายะเข้ามา นำสิ่งที่เป็นส ป, ปายะออกไป 3. เห็นแก่อามิตรพยาบาลไม่มีจิตเมตตาพยาบาล 4. รังเกยียจที่จะนำอุจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้ง 5. ไม่สามารถชี้แจงให้พิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล่วกล่ า, ลาปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคาาตามการอันโคน ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมประการนี้แลไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมประการควรพยาบาลภิกษุไข้ธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. สามารถจัดยา 2. ทราบสิ่งที่เป็นสัปพายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปพายะ นำสิ่งที่ไม่เป็นสัพ ป, ปายะออกไปนำสิ่งที่เป็นสัพ ป, ปายะเข้ามา 3. ม, มีจิตเมตตาพยาบาลไม่เห็นแก่อามิตพยาบาล 4. ไม่รังเกียจที่จะนำอุจาระปัสสาวะอาเจียนและน้ำลายออกไปทิ้ง 5. สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ด้วยธรรมมีคาถาตามการอันโควรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลควร พ, พยาบาลภิกษุไข่ทุติยะอุปถากสูตรที่4จบ ค ม, มอะนายุษสาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายทํา5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นทํา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทําสิ่งที่เป็นสปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก 4. เที่ยวในเวลาไม่สมควร หไม่ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำห้ประการนี้แหลเป็นเหตุให้อายุสั้นภิกษุทั้งหลายทำ5้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่ทำสิ่งที่เป็นส ป, ปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นส ป, ปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. เที่ยวในเวลาที่สมควร 5. พระพุทธรภมจันทร์ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แหลเป็นเหตุให้อายุยืนพระธมมอานายุสาสูตรที่หจบหทธุติยะอนายุสาสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทําสิ่งที่เป็นสัปพายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก 4. ทุศีลหมีปาปมิตรมิชัว ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แหลเป็นเหตุให้อายุสั้นภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำสิ่งที่เป็นสัพพายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัพพายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. มีศีล 5. มีกัลยาณมิตรมิตรดี ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนทุติยะนายุสสาสูตรที่หกเจ็ดวะปากาะ ส, สูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการไม่ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. ไม่สันโดษด้วยบินทบาทตามแต่จะได้ 3. ไม่สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ สี่ไม่สันโดดด้วยคีลานปั จ, จัยเพศสัตว์บริคานตามแต่จะได้ห้ามากด้วยความดริณนกามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหาประการนี้แหลไม่ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหาประการควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สันโดดด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. สันโดดด้วยบินทะบาทตามแต่จะได้ 3. สันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ 4. สันโดดด้วยคิฬานปัจจัยเพศสัตวบริขารตามแต่จะได้ 5. มากด้วยความดำริในการออกจากกามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แล ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียววะปากาสัต ส, สูตที่7จ็จบ 8. สมณะสุขสูตรว่าด้วยสุขของสมณะภิกษุทั้งหลายทุกขของสมณะห้าประการ ทุกของสมณะห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่สันโดดด้วยจีวรนตามแต่จะได้ 2. ไม่สันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได้ 3. ไม่สันโดดด้วยเนสนานสณะตามแต่จะได้ 4. ไม่สันโดดด้วยคิลานปัจจัยเพศรรปุริขานตามแต่จะได้ 5. ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ภิษุทั้งหลาย ทุกของสมณะห้าประการนี้แลภิษุทั้งหลายสุขของสมณะห้าประการสุขของสมณะห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สันโดดด้วยจีวนตามแต่จะได้ 2. สันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได้ 3. สันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ สสันโดดด้วยกีฬาณปัจจัยเพศสัตว์บริคารตามแต่จะได้ 5. ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายสุขของสมณะหประการ น, นี้แลสมณะสุขสูตรที่8จบ กุ ป, ปสูตว่าด้วยบุคคลที่ต้องเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้เป็นผู้ไปอบายเป็นผู้ไปนรกเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้แก้ไขไม่ได้บุคคลห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่ามารดา 2. บุคคลผู้ฆ่าบิดา 3. บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต 4. บุคคลผู้มีจิตคิด ป, ประทุษร้ายทำโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. บุคคลผู้ทำลายสงให้แตกกันภิกษุทั้งหลายบุคคลห้าจำพวกนี้แหละเป็นผู้ไปอบายเป็นผู้ไปนรกเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้แก้ไขไม่ได้ปริกุ ป, ปสูที่9จบ พยสนสูตรว่าด้วยความวิบัติภิกษุทั้งหลายวิบัติ5ประการนี้วิบัติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. วิบัติแห่งญาติ 2. วิบัติแห่งโพคะสวิบัติเพราะโรค 4. วิบัติแห่งศีลหวิบัติแห่งทิฐิภิกษุทั้งหลาย สัสตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะความวิบัตแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโภคะเป็นเหตุเพราะความวิบัติเพราะโรคเป็นเหตุแต่สัสตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะความวิบัตแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายวิบัติ5ประการ น, นี้แล ภิกษุทั้งหลายสมบัติ5ประการนี้สมบัติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. สมบัติคือญาติสสมบัติคือโพคะสมสมบัติคือความไม่มีโรค 4. สมบัติคือศีล 5. สมบัติคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายจิตทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ เ, เกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือญาติเป็นเหตุ เพระสมบัติคือโพคะเป็นเหตุเพราะสมบัติคือความไม่มีโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือศีลเป็นเหตุหรือเพราะสมบัติคือทิฏฐิเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสมบัติห้าประการ น, นี้แลพยสนสูตรที่สิบจบคิดลานวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ หนึขิลานสูตร 2. สติสุปฏติตสูตร 3. ามปฐมมอุปถากสูตร 4. ทุติยอุปถากสูตร 5. ปฐมมอานายุสสาสูตร 6. ทุติยอานายุสสาสูตร 7. วปกาสสูตร 8. สมณสุขสูตร 9. ปริกุปสูตร 10. พยสนสูตร ราชวัคหมวดว่าด้วยพระราชาหนึ่งปฐมมาจากกานุวัตนสูตรว่าด้วยการให้จักหมุนไปสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิประกอบด้วยองค์หประการจึงทรงให้จักหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครใที่เป็นมนุษย์เป็นค่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ องห้าประการอะไรบ้างคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์าประการนี้แลจึงทรงให้จากหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้น อันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นฆ่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจึงทรงให้ธรรมจากอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรมสเป็นผู้รู้ประมาณสเป็นผู้รู้การห้าเป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลจึงทรงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้น จากนั้นอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้วทโมมาจากกาุวัตนะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยาจากกาุวัตนะสูตร ว่าด้วยการให้จักรหมุนไปสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายพระราชโอรถองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพัทประกอบด้วยองค์ห้าประการจึงทรงให้จักรที่พระราชบิดาให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครใครที่เป็นมนุษย์เป็นฆ่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้องค์ห้าประการอะไรบ้างคือ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 จากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นฆ่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจึงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ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 จากนั้นอันสมณะพรามเทวดามานพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทุติย่าจากการนวัตนะสูตรที่สองจบ 3. ธรรมราชาสูตรว่าด้วย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 และคุ้มครองชนภายในโดยธรรมอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองพวกกษัตริย์ผู้รรรตามเสด็จกำลังพลพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมชาวชนบทสมณะพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมพระเจ้าจักรพรรดนั้นแลผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาและถึงมีธทรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมแล้วจึงให้จากหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นฆ่าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้พระตถาคตอรหันตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมเท่านั้น สักกะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเชื่อชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองภิกษุทั้งหลายโดยธรรมว่า1กายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติกายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 2. องวจีกรรมเช่นนี้ควรประพฤติวจีกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 3. มโนกรรมเช่นนี้ควรประพฤติ มนโนกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 4. อาชีพเช่นนี้ควรประกอบอาชีพเช่นนี้ไม่ควรประกอบ 5. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยอีกประการหนึ่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาและถึงมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองภิกษุนีทั้งหลายโดยธรรมและถึงอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมว่า 1. นกายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติกายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติและถึง 5. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยภิกษุตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองภิกษุทั้งหลายโดยธรรมภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมแล้วจึงทรงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณนะพราหมณ์เทวดามานพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ ธรรมราชาสูตรที่สจบ 4. ยัดสังที่สังสูตรว่าด้วยทิทธิกษัตริย์ใช้ประทับภิกษุทั้งหลายกษัตริธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว ทรงประกอบด้วย อ, องค์หประการจะประทับอยู่ณที่ใดใดก็เหมือนกับประทับอยู่ในแคว้นของพระองค์เององค์ห้าประการอะไรบ้างคือกษัตราทิราชในโลกนี้หนึ่งได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงมีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรบรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตรูล สทร ง, งเป็นผู้มั่งคัง่งมีพระราชทรัพย์มากมีพระราชสมบัติมากมีพระช้างและพระคลังบริบูรณ์ 3. ทรงมีกำลังพลประกอบด้วยกองทัพทั้งสเหล่าเชื่อฟังและทำตามที่ทรงรับสัง่ง 4. ทรงเป็นปริณายกเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันห ทรงประกอบด้วยยศที่มีธรรมสี่ประการนี้ทําให้เจริญขสัสสตราธิราชพระองค์นั้นจะประทับอยู่ณทิศใดใดก็เหมือนกับประทับอยู่ในแคว้นของพระองค์เองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระองค์ทรงชนะได้เด็ดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจะอยู่ณทิศใดใดก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอยู่ ทำหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลและถึงสมทานศึกษาอยู่ในศิคาบททั้งหลายเหมือนกษัตราทิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยชาติ 2. เป็นผูหูสูตและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฐิเหมือนกษัตราทิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วทรงมั่งคั่ง มีพระราชทรัพย์มากมีพระราชสมบัติมากมีพระช้างและพระคลังบริบูรณ์ 3. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เหมือนกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรรทาพิเศษแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยกำลัง 4. เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเหมือนกษัตราที่ราชผู้ได้รับมุรธาพิเศกแล้วทรงเป็นปรินายก 5. ประกอบด้วยวิมุตติที่มีธรรมสีประการนี้ทำให้เจริญเธอจะอยู่หน้าทิศใดๆก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเธอมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนั้นยัดสังที่สังสูตรที่สจบ 5. ปฐมมปัฒนาสูตรว่าด้วยความปรารถนาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธิที่ราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วในโลกนี้ 1. เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำาหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าลืมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนัก 3. าเป็นที่รัก เป็นที่พอพระไทยของพระมารดาและพระบิดา 4. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวนิคมและชาวชนบท 5. เป็นผู้ได้ศึกษาสําเร็จดีในศินละปะศาสตร์แห่งกษัตราธิราชผู้ได้รับมรรทาพิเศษแล้วเช่นศินลปศาสตร์เรื่องช้างมา้ารถทนูหรือดาบพระราชโอรสองค์ใหญ่นั้นทรงมีพระดําริอย่างนี้ว่า เรามีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระปิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลฉะนั้นเราจะไม่ปราถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนักฉะนั้นเราจะไม่ปราถนาราชสมบัติเล่า เราเป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยของพระมารดาและพระบิดาฉนันเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวนิคมและชาวชนบทฉนันเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นผู้ได้ศึกษาสำเร็จดีในศินลปศาสตร์ของกษัตราธทิราชผู้ได้รับมูรทาพิเศษแล้วเช่นศินลปศาสตร์เรื่องช้างมา้ารถธนูหรือดาบ ชนัยเราจะไม่ปราถนาราชสมบัติเล่าพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธิราชผู้ได้รับมุรทาพิเศษแล้วประกอบด้วยองค์ห้าประการนี่แหลย่อมปราถนาราชสมบัติฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ปราถนาความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสํสำหรับย่อยอาหารสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบาเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอดอวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในาศาสดาหรือในเพื่อนพรมมารยผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอคุโลณธรรมเพื่อให้คุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอธทุระในคุศลณธรรมทั้งหลายอยู่ 5. เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํแรกดิเลตให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตัสรู้ของพระธราคตว่าแม้พระเหตุนี้พระผู้มีรพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีรพระภาค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 เห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบฉนัยเราจะไม่ปราถนาความสิ้นอาสวะเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมปราถนาความสิ้นอาสวะปฐมปัฒนาสูตรที่หจบ